เอ่อขอคารวะแด่ครูบาอาจารย์แด่พระเถรานุเถระทุกรูปและแด่พระภิกษุทุก <c oughs> กล่าวธรรมต่อ อ่า 76 ปีนะรมพรีเป็นพระที่พวกเราๆก็ คิดถึงหลวงพ่อรีกับหลวง หลวงพ่อหลีท่านเขียนไว้เป็น ก็มาภาวนาก็เหมือนเป็นบาทฐานแต่ว่าภาวนาไปแล้วยังไม่เข้าใจ เพราะเคยไปนั่งอยู่ที่ไม่รู้จักปุโธเคยไป ที่แนะตอนหลังก็เลยมาให้ใกล้ชิด การก็สอนแบบเดียวกันพ่อสว่างก็สอนแบบเดียวกันที่เราเราอ่าน <c oughs> ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องๆก็ บททัน 13 ไว้สมบูรณ์ก็ทราบทั้งทั้งที่ไม่เจอตัวท่านด้วยมากก็จะเกิดแบบ พวกเราๆรุ่นหลําเป็นอุปาจารย์องค์หนึ่งที่เราจะไม่เจอตัวท่านแต่ก็ก็ท่าน อยู่ในแถบที่กันดาลเอาไว้ที่เจริญก็ความเป็นอยู่ก็สะดวกสบายทุรดงก็จะน้อย ก็ถือจะไม่ไม่ได้มาเห็น <c oughs> ไม่รู้เรื่องจิตใจตัวเองรู้เรื่องจิตใจตัวเองพอเรียนไปเรียนตามปริญญาเข้าไปเห็นแต่เรื่องความสําเร็จ มีการสอนปฏิบัติการสอนปฏิบัติก็มาปฏิบัติถึงได้รู้ ได้ผลมากแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ เมื่อก่อนนี่หาครูบาอาจารย์ยากมากเรื่องวิธีวิทยุก็ สมาธิกว้างโชคดีมากเลยขึ้นคนรุ่นใหม่จะโชคดีโชค <c oughs> อ่าๆเดี๋ยวนี้มีจัดบวชจัดกันทั่วเลยขณะที่ก็กินแล้วว่านึกว่าที่ มีพวกโยมร่วมใจกันจัดคอร์สปฏิบัติสมาธิกันทุกปีนี่ นักธรรมนั้นก็มีโยมมามาสอนกรรมฐานกันมันได้สงบกันในวัดเนี่ยไป ความเป็นญาติความเป็นมิตรมันมันกลับเข้ามาหา เน่าก็เกือบ 100 คนบางคนดูว่าเอ๊ะไม่เห็นหน้าอยู่เลยภาคใต้เพราะ ธรรมะวัดก็เลยอบอุ่นครูบาอาจารย์มันก็เป็น <c oughs> ก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตามวิทยุกันก็ ก็มีเยอะพวกประเภทที่วัยรุ่นสมัยเรื่องเยอะที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องจริงๆก็อาศัยพ่อแม่เนี่ยเป็นเยอะมีศรัทธานามิสดีทางปฏิบัติ <c oughs> ก็เป็นตัวมาสอนคนในเมืองธรรมดาพระแก่คนรุ่นใหม่ได้ดีตั้งแต่หลวงพ่อฤาญีมาเนี่ยท่านเป็น <c oughs> เรียนนักธรรมตีโทเอกจบแล้วก็ทีมวัดไป เป็นพระวาจาศีลไปไหนแต่พวกหลวงพ่อแอ่นหลวงพ่อ ก็ไม่มีจีวรนุ่งกบะจีวรห่มแบบธรรมก็ให้ไปจับมา ทางบ้านเมืองก็พวกไอ้พวกนั้นน่ะพวก <c oughs> แม่น้ําถ้าจีนสมัยก่อนมันก็มีมีไปแต่เค้าต้องใช้เรือข้ามให้พวกนี้ก็ไปเตรียมเอาเรือให้เจ้าหน้า ข้ามน้ําแม่น้ําท่าจีนพอไปถึงตลิ่งอ้าวหลวงปอแอ็นมายืนอยู่ที่ตลิ่งนี่แหละเอ๊ะพระบ้าอะไรเนี่ยข้ามน้ําไม่จังหวัดท่านรอบอก เอาไปคืนมาจากไหนไปคืนอย่าไปยุ่งกับท่านนะเจ้าหลวงปู่แอม ขนาดน้ําไม่ต้องไม่ต้องใช้เรือทางกับนั้นก็ก็คนก็ไม่สนใจนะองค์เรียนจบเรียน แต่ถ้าปฏิบัติแบบนั้นหลวงพ่อโอหลวงพ่อแอ่นหลวงพ่อขวดเนี่ยเป็นพระกรรมฐานอยู่ <c oughs> เวลาฝนตกเขาบอกว่าหลวงพ่อโอหลวงพ่อแอ่นประกฏเดินไม่เปียกฝนน่ะบอกว่าเออถ้าเจอหลวงพ่อ แล้วก็หายๆเนี่ยที่สอนคนได้มากสอนคนได้มากก็รุ่น ทำไมหลวงปู่เอ็นของพระโอหลวงไม่ไม่สอนใครแล้วก็ แล้วก็เอาเท้าเข้าไปต้องงองายเท้า ไปคนไปเที่ยวกลับมาหมดมั้ยคนไปเที่ยวไป แต่รูปนี่กระดูกไปอยู่บนเพดานถ้ําพวกเราเข้าไปจึงได้ไปเห็นนั่น แตกอัศจรรย์ตรงที่ว่าให้กระดูกตัวเองไปรออยู่เหมือนเหมือน ได้เอาครูบาอาจารย์มายกย่องไปเป็นนิพพานทิ้งไว้ใน ไม่ทำทิ้งรางหมดพอมาประชาปู่สังวาลเป็นพุทโธประชาท่านท่านสงสารสงสารพวกเราก็ รูปแบบของจิตใจท่านก็มาเปิดสอนก็ก็ได้หลวงปู่ทังวานเนี่ยเป็นคนสอน <c oughs> พอมีงานศพไปนี้ท่านต้องไปต้องเครือนพลพา ผู้มาตาก็อยู่ทางอีสานนี่เยอะอ่ะท่านก็ต้องเข้าประชาไปปฏิบัติท่านบอกว่าท่านไม่รู้จักนะท่านไม่รู้จักรถแทรกเตอร์หรอกบอกท่านอยู่ในประชาท่านบอกเกิดมาไม่เคยรู้จักรถแทรกเตอร์ ก็เป็นเหตุต้องมาเป็นครูบาอาจารย์คนท่านก็ชอบน่าเกลียดท่านท่าน 6 ปีบอกอยู่ว่ามันในนิมิตบอกว่ามันมีไอ้ตัวมันเป็นมันเป็นตัวเหล็กมันมาดุนดินใหญ่มันล้มโข่นต้นไม้ ไอ้ตัวนี้มันกินดินได้ทําไมมันกินหมดเลยอีก 3 วันน่ะมันมาเลยชนประธานกระทุกมาจาก สมภารคงไม่ให้เราอยู่นะสมภารไม่อยากได้พระกรรมฐานท่านก็จากไอ้ตัวดุนดินแต่มาก็ ก็เลยออกทีนี้ก็ไปจะไปที่อื่นญาติบอกว่าบ้านเรามีมีวัดร้างแต่ก็เลยแบก แ번 กดอยู่วัดร้างก็ได้เลยพวก 7 ไป 8 ไปเรียน หลวงปู่สังวาลนี่สอนกรรมฐานได้ก็ไปเรียนกรรมฐาน แล้วก็ได้ได้สอนพวกเราตัวเองที่ได้ได้ปาชาตัวนี้ก็เลยเป็นนั้นป่ะ หลวงปู่ธรรมธรรมเจนบอกว่าท่านบอกว่าธรรมเจนเห็นจิตอาจารย์คิดนึกน่ะอาจารย์จึงได้ลง <c oughs> ก็แก่ก้างปลาอะไรต่ออะไรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลัง <c oughs> ทางเดินกรรมฐานนี้ถ้าถ้าได้เจอครูบาอาจารย์ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ทํากรรมฐานก็คงคงไม่คงนั่งไม่บ้านเดียวกันนี่แหละ กินตรงไหนก็สบายตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็ เพราะนั้นคนบางคนไม่รู้หรอกว่าความสุขนั้นมีสมาธิแล้วก็ที่บ้าน <c oughs> เราได้รู้วิธีดูลมหายใจเอา <c oughs> มีการเห็นรู้ของตัวเองเป็นปัจจตังของตัวเองยังน้อยก็ใจของเขาก็ ผ่านแต่ที่จริงแล้วก็ตอนนี้ก็อยากให้มากแล้วแต่ที่จริงแล้วก็พวกอะไรพวกขนัดจักรการนะ บรมสารีริกธาตุไปแจก 8 เอ่อ 10,000 18,000 องค์ตั้งใจว่าจะให้ไป 3 ภันธธรรมขันธ์บรรพีสาขาเนี่ยตั้งแต่ 11, 11 เนี่ยเตือนพระ 19 เค้าที่แล้วพวกทางปัตตนิยราก็มาเยอะนะคิดว่าปรมัตถ์ <c oughs> แจกใช้อุบายแจกบางคนก็เพิ่ม 3 องค์นี่ได้เต็มเต็มขวดนะขวดเล็กๆอ่ะถ้าของดีใหญ่มากบางคนก็มาแล้ว ของนี้เป็นมีธรรมมีเทวะพระจะ <ม. S 1> ก็เลยแจกบรมมาสาริกาธาตุดีกว่าไม่ต้องแจกเครื่องกลางห้องคังเยอะแยะเครื่องนางห้องคังก็ไม่ช่วยอะไรได้ ไม่ใช่จะช่วยได้ก็จะเอาบรมสารีริกธาตุแบบพระเจ้าโศกนั่นดีท่านได้แจกคนทั้ง เรื่องดุจเรื่องยิ่งใหญ่ก็ก็เป็นเรื่องที่ท่านแจกเป็นปฐมสมโภชก็ <c oughs> โนบายแต่ถ้าจะแจกให้คนได้รู้ธรรมะเป็นบุญกุศลอย่างพระเจ้าโศกก็ต้องแจกบรมบรรสาริกทาตแจกพระไตรปิฎกแจกต้นภูแจกพระธรรมทูตเมืองไทยแค่ 2 องค์นะอ่าแจกพระ มียิ่งใหญ่มากอรหันต์แค่ 2 องค์ยิ่งใหญ่มากดํากาก็ 2 องค์ลูกสาว ท่านท่านแสดงให้ดูสมาธิแล้วอยู่ในยมเก็บได้เลยเนี่ยท่านแสดงให้ ก็ควรจะกลับมาแจกแบบพระเจ้าโศกแบบ 16 ทนานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ <c oughs> มันจะดีกว่าที่รองอย่างอื่นบางบ้านเนี่ยแจก <c oughs> <c oughs> มัน 1 ไปดูคนฐานะก็เสียใจมากนิมนต์เราขึ้นไปบนบ้านไปดูโอ้โหนี่ เมตตาพระเอาไว้ที่บ้านมากนะเอาไว้แค่ ท่านเห็นแล้วก็เอาบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาแจกกันไป เป็นศิริมงคลอันนี้ก็เป็นการอุบายดีเหมือน พี่เคย... ถ้ามีเป็นจะภคีเงี้ยโอ้โห ขับรถไปโหหินรถมันตะพานหักแกเอา บรรทัดอืมหม้อเครื่องน้ํามันก็ไหลรถหน้าเกิด <s> นักพวกสัตว์นี่ก็ยิงตายไม่เชื่อเลยกันตายเพราะอะไรทั้งนั้นเป็นนักแม่นปืนแต่มากับเจดีย์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจดีย์เก่าเจดีย์นั้นเป็นสมัยพระเนตรส่วนที่รบกับพม่าสมัยๆปี <c oughs> พะเป็นพระมาในข้อควายเป็น พระNobody อยู่ญาณญาณน่ะได้ คนหนึ่งก็มามานอนมานอนดุกที่แกทําห้องแถวมาเข้าเลยวิญญาณคน ก็มาถามว่ามองตะไคร้มาถามว่าเป็นอะไรบอกว่าช้างมันเหยียบช้างมันเหยียบอ้าวช้างอะไรล่ะช้างพม่ามาเหยียบบอกเป็นอะไรมาทางนี้มันมาบังคับให้ <c oughs> พม่ามันก็รุนแรงเหมือนกันไม่ฆ่าด้วยมือหรอกใช้ช้างเหยียบตายคนไหนไม่ <c oughs> วิญญาณในพรหมณีสถิตบ้านต้องก็เข้าอีกปวดหลังจริงๆนั่นแหละพี่เคยเชื่อเลยโอ้โหไอ้คนเลยแต่มันร้องพูด <c oughs> เชื่อในวิญญาณมีจริงสมัยก่อนแกปฏิเสธเนี่ยเช พวกเร่งเครื่องหลังของขังก็ฝังไว้นี่ก็จะไป เอาไว้บูชาท่านจะดีกว่าอย่างบรมสารีริกธาตุเนี่ยสบาย กายสิทธิ์ไปได้มาได้ไปได้มาพ้นอัคคีภัยอ่าอัคคีภัยวาตภัยของนี้ไปตามบุญตามกําลังความ ถ้าทําเจดีย์ก็เอาเอาแค่บรมสารีริกธาตุไว้เท่า ไม่ฟังก็ทำไมนะก็คงไม่น่าจะฟังแต่ก็ก็ทำแต่คน ไหว้ไปเสกพุทธเจ้าให้ขลังนี่ก็ถือว่าตัวเองก็ไม่ได้เสกอ่ะพุทธเจ้าท่านสําเร็จแล้วใครจะไปเสกทําไมเห็นพุทธเจ้าแล้วก็โอ้โห การท่านเจ้าบูชาก็อย่างนี้ 13 เนี่ยบูชาคําสอนบูชา 13 เนี่ยก็อันนี้ถือว่า ใช้เหตุใช้ผลใช้สติปัญญาก็ ปทีปธาคุบาจารย์ก็สอนไว้ไว้มากมายสอนวิธีปฏิบัติไว้มากมายเลยว่าวิธีทางเดียวก็คืออย่างที่ท่านสอนกันไว้แล้วนี่อย่าง มันรู้จิตตัวเองมีทางรู้ชัยตัวเองอ่ะรู้จิตตัวเองการปฏิบัติผลผลที่มันมันดับ ก็นํามาปฏิบัติก็คงเจริญขึ้นเป็นๆได้อ่านหนังสือ หลวงปู่ 40 แล้วก็มาอ่านของหลวงก็ภาวนาแบบพุทธโทก็ก็ง่ายแต่ยากยากอ๋อ 8 ทำล่ะมานั่งตามตํารานี่ยากกว่ามีอาจารย์สอนเป็นตัวคอยสอน ได้ประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่มี ในเมืองลูกได้นี่ก็ถือว่าก็ทําชาวกรุงเทพฯชาวสมุทรปราการก็เตื้อได้ สาวกที่ตัวบรรพะก็มาวัดได้ มีน้ำก็มีลมแต่ธรรมชาตินี่ก็เยอะถ้ามันทิ้งธรรมชาติไป ได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ก็ ธรรมะที่บรรยาย